กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกาขราบคารวะพระเทรานุเทระครูบาจารย์เพื่อนสาธรรมิกขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาวัดป่าสุขโตในวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันแรกนะของอบุคลากรนะขององค์การบริหารจังหวัดชัยภูมนะิที่มาร่วมกันาตามโครงการนะธรรมะจริยธรรมเพื่อการทำงานนะก็นั่งตามปกตินะ ปกติวันวันนี้เป็นวันศุกร์ถ้าเป็นชีวิตคนในที่ทางานก็เป็นวันที่มีความสุขนะจะได้หยุดงาน2วันและหลายคนก็คงมีโปรแกรมนะไปเที่ยวสนุกสนานนะคืนนี้อาจจะมีความสุขสนุกสนานนะซึ่งเป็นความสุขที่เราคุ้นเคยกัน ทีนี้ที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยก็ถือว่าเราได้เสียสละนะวันเวลาที่เราคิดว่าเป็นความสุขนะที่ที่แสวงหากันความสุขที่เราจะคุ้นเคยก็คือความสุขที่ได้จากการได้ได้กินได้เที่ยวได้สนุกสนานนะซึ่งความสุขนนี้ นะก็เป็นความสุขช่วงครั้งช่วงคราวเท่านั้นเองและเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าในโลกเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมมีบริการต่างๆนะที่มาชวนให้เราไปแสวงหาความสุขนะอย่างนั้นนะซึ่งเราก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลามเวลานะบีบางคนก็อดอับอดนอน นะสุขภาพก็เสียนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอบายามุกอ่นะก็คือทางแห่งความเสื่อมแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจว่าคนปัจจุบันเห็นว่าเป็นทางทางสวรรค์มากกว่าทางตกนรกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มุ่งกันไปนะว่ามันเป็นความสุขเป็นความสนุกสนานนะเป็นสวรรค์มากกว่าเป็นนรก นะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามาดูว่าเอมันความคิดของคนในปัจจุบันนะกับความคิดของคนในสมัยก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันนะการที่เราเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปสนุกสนานนะตรงนี้มันทำให้เสียสุขภาพมันทำให้เสียเงินเสียทองนะมากมายนะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีความสุขดี นะยิ่งถ้าโอโ้ต้องมาวัดมามาวัดมาปฏิบัติธรรมนี่จะรู้สึกว่ามันมันเป็นทางนรกมากกว่ามั้งนะบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะอย่างที่มากันเนี่ยนะหลายคนก็ศรัทธาตั้งใจมานะก็ต้องอนุโมทนาเนาะแต่หลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกขัดอกขัดใจบ้างนะที่มาที่วัด แทนที่วันศุกร์เราจะได้ไปสุขสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะก็ลองมาสัมผัสกับสุขอีกแบบหนึ่งนะเป็นสุขที่ประณีตเป็นสุขที่ไม่ต้องเสียสตังเป็นสุขที่เราไม่ต้องเสียเสียเงินเสียทองนะและเป็นสุขที่ไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยนะสุขที่เราคุ้นเคย ที่เป็นสนุกสนานเนี่ยสังเกตไหมบางทีมันจะเหนื่อยมันจะเพลียนะแล้วก็มันก็มีรสชาตินะที่จะทำให้เราตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็อยากจะให้มันได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งเป็นความสุขที่มันไม่มีวันจบสิ้นนะซึ่งบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังมีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นความสุขที่ประณีต เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในใจของเราอย่างเรามาวัดป่าสุขโตเนี่ยถ้าเราสังเกตดูขณะที่เรานั่งฟังทำกันอยู่ตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราปกติจิตใจเราเฉยเฉยมันไม่สุขและมันก็ไม่ทุกข์มันเฉยเฉยซึ่งจิตเฉยเฉยหรือจิตปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคย แล้วก็จะรู้สึกว่าเอมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะเป็นสิ่งที่มันธรรมดามากนะแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าไอ้เนี้ยมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะเรามันอยู่ในบรรยากาศของวัดที่สงบนะที่สงัดนะใจเราก็สงบสงัดไปด้วยนะ บางทีมันก็มีความบางคนถ้าไม่คุ้นเคยนำมาอยู่ในที่อย่างนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกกลัวนะกลัวความเงียบกลัวความสงัดนะไม่คุ้นเคยกับภาวะที่เป็นจิตใจปกติเฉยๆนะซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆจิตใจแบบนี้เนี่ยเป็นจิตใจที่เป็นพื้นฐานนะของคนทุกคนนะที่ทำให้เราเนี่ย ไม่เหน็ดเหนื่อยนะกับความสุขความทุกข์นะที่เรารเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทีนีน้สภาพแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลานะแต่ที่มันมันมันไม่มีหรือบางทีเรามองไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเราคุ้นเคยนะกับความสุขที่ได้จากการเสพวัตถุ นะจากสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ใจที่คิดนึกนะสิ่งเหล่านี้เราจะไปคุ้นเคยกับมันนะแล้วเราก็ไม่คุ้นเคยกับจิตปกติหรือจิตเฉยๆนะที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราลองสังเกตดูนะใจเราที่มันไปติดกับความสุขเนี่ยมันสุข ระดับหนึ่งสุกชั่วครั้งชั่วราวแล้วมันก็จะกลับมาปกตินะเราทุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาปกติ้วนะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรสนใจเราควรสังเกตและควรที่จะให้มันมีอยู่ในตัวเราได้บ่อยๆนะเป็นเหมือนกับคนที่กระหายน้ำเนี่ยนะ เราจะคุ้นเคยกับน้ำหวานบ้างน้ำซ่าบ้างหรือแม้แต่น้ำรสชาติต่างๆแต่สังเกตไหมว่าเราดื่มน้ำอะไรก็ตามมันมาจบที่น้ำจืดน้ำเปล่าเพราะนั้นจิตใจที่เป็นปกตินะจิตใจเฉยๆเนี่ยมันเปรียบได้กับน้ำเปล่าๆน้ำจืดๆนะซึ่งจะทาให้เรามีความเป็นปกติของใจนะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสาคัญ ทีนี้การมาวัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะมาสัมผัสกับตรงนี้การที่เราไม่รู้เท่าทันตรงนี้เพราะว่าเราไปคุ้นเคยกับรสชาติาของความสุขที่ได้จากการกระทบสัมผัสาทางอยายตนะต่างๆแล้วเราเผลอเราไม่รู้เท่าทั น, นเราก็ไปติดในรสชาตินั้นนะเพราะฉะนั้นการเผลอไปนเนี่ยนในส่วนหนึ่งก็คือการที่เราลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง นะซึ่งการลืมตัวไปหรือการเผลอไปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะกลับมาสัมผัสกับความเป็นปกติได้นะหรือกลับมาได้ก็ช้านะหรือว่าไม่เห็นความสำคัญของมันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งวิธีการหนึ่งหรืออุปกรณ์นหนึ่ ง, นนงนะที่จะทำให้เรากลับมาสู่ใจที่เป็นปกติได้บ่อยๆนั้นนะ ก็เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือสิ่งที่เราเรียกมันว่าความรู้สึกตัวนะหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะพระที่บทใหม่เนี่ยในหนังสือนวโกว่านะธรรมข้อแรกเลยก็คือสติสัมปชัญญะนะก็คือการสตินะ สัมปชัญญนะเราเรียกรวมๆมัมมนว่าความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือนะที่เราจะนํามาใช้นะในการที่เราจะกลับไปสู่ใจที่เป็นปกติได้บ่อยๆความรู้สึกตัวนั้นนะมันเป็นนามธรรมามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะจําเป็นที่เราจะต้องอาศัย วิธีการนาะรือเทคนิคนาะที่จะปลุกหรือกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยทุกคนมีแต่ความรู้สึกตัวที่มีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวธรรมดานเะาเรียกว่าความรู้สึกตัวสามัญที่เราทำการทำงานเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวนี้อยู่เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรนาะเอ่อสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเรารู้ นะแต่บางทีเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยบางทีมันก็เร็วมันก็ไวความรู้สึกตัวที่เรามีน่ยมันไม่ทันนะอย่างเช่นเราทํางานไปเนี่ยงานะเราก็จมไปอยู่กับงานแล้วเราก็เครียดขึ้นมานะความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็ปล่อยวางไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ มีความรับผิดชอบสูงนะมีความตั้งใจในการทำงานบางทีเราก็เครียดกับงานนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเอ่อเกิดใจที่ไม่ปกติขึ้นมานะหรือบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบกับใจเรานะแล้วเราก็รู้สึกโกรธขึ้นมานะหงุดหงิดขึ้นมานะสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเร็วมากสติธรรมดาสติสามัญเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้การได้จำเป็นที่เราจะต้องมาปลุกหรือมากระตุน้นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันไวขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มันทันกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่เป็นสิ่งที่ไวเขาบอกในโลกนี้สิ่งที่ไวที่สุดคือแสง สิ่งที่ไวกว่าแสงก็คือความคิดสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาติที่มันมีความโกรธก็ดีนะความพอใจหรือไม่พอใจก็ดีสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราเผลอเราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นความคิดที่เราไม่รู้ตัวนะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราบางทีชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละขณะเนี่ยนะมีพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะอากาศร้อนเราก็ไม่พอใจละอากาศหนาวก็ไม่พอใจนะบางอย่างก็อากาศพอดีพอดีเออพอใจนะเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็สุขสุขทุกทุกอย่างนี้แหละนะถ้าเราไม่รู้จักความจริงนะ จริงๆถ้าเรามาเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจนะเราก็จะเข้าใจเลยว่าความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเนะี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ร่างกายเราจะสัมผัสนะที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะโดยที่เรากลับมาดูตัวเราเองแต่ก่อนนั้นชีวิตของเรานะก็ ไปสนใจไปให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกกับการงานกับเพื่อนกับครอบครัว ก, นนนกับคนนู้นกับคนนี้นะแต่เราไม่เคยกลับมาดูตัวเราเองเลยนะเราไม่เคยกลับมาดูกายดูใจของเราเลยนะตรงนี้ก็ทาให้เราพลาดเนั้นชีวิตเราก็สุขๆุขทุกทุกอย่างนี้แหละนะทีนี้การที่เรามาวัดป่าสุโกโตเนี่ยนะก็มี จุดประสงค์ที่จะให้เราเนี่ยกลับมาดูชีวิตของเราซึ่งชีวิตของเรามันก็ประกอบไปด้วยกายประกอบไปด้วยใจนะกายก็เป็นรุ่นเป็นก้อนนะที่เราเห็นกันอยู่สัมผัสกันอยู่นะตัวตนของเราที่ที่เราใช้การใช้งานอยู่นะร่างกายส่วนจิตใจก็เป็นความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น นการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากนะโดยเฉพาะมาที่นี่มาที่วัดป่าสุกตะโตเราไม่ต้องไปนั่งนิ่งหลับตาเราไม่ต้องใช้คําบริกรรมใดๆทั้งสิน้นเราไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ข้างนอกนะอย่างเช่นดวงแก้วบ้างอาศัยไฟบ้างนะไม่ต้องไปอาศัยสิ่งเหล่านี้เลยแต่เราอาศัยการเคลื่อนไหวของกาย เป็นอุปกรณ์นะโดยที่ให้เรามันมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะขณะที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เราก็รู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่ใจเราไม่ได้คิดนึกไปรเรื่องอื่นถ้ามันคิดนึกไปเราก็กลับมาที่อริยาบถ ท, ที่เราทําอยู่ขณะนี้นะที่เรานั่งอยู่หรือบางคนอาจจะยกไม้ยกมือ นะทํา14จังหวนะซึ่งวิธีการนี้หลวงพ่อเทียนก็ได้นำเสนอเนะมื่อประมาณ50ปีที่แล้วคนที่มาใหม่คนที่ไม่คุ้นเค ย, เยจะไม่จะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรมาทํา14จังหวะแล้วมันจะสงบได้อย่างไงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนใหม่นะแต่จริงๆแล้วนะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราสามารถจะเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันได้ เราไม่ต้องนั่งหลับตาเราลืมตานะแล้วก็รู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวนะถ้านั่งนิ่งๆเนี่ยนั่งหลับตาก็ดีนะหรือว่าใช้ลมหายใจก็ดีก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่ความรู้สึกตัวไม่ชัดเนี่ยมันจะง่วงมันจะนอนมันจะหลับแล้วมันจะตกผวังนะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีทําไปทํามาก็จะไปติดสงบนะคําว่าติดสงบในที่นี้คือนั่งนิ่งๆิ่งหลับตาแล้วมันสงบเป็นสงบแบบไม่รู้ตัวสงบแบบไม่รู้ตัวคือเงียบไปเลยนะซึ่งวิธีการอันนีนะ้คนที่ทําบางคนเนี่ยอาจจะติดนะติดแล้วมันก็เลยไม่เกิดปัญญานะเหมือนกับเอาหินมาทับหญ้าหญนะ้ามันก็ไม่งอกหรอกมันเหลือง มันก็ไม่ตายแต่ถ้าเราย่าออกเดี๋ยวแย่มันก็งอกอีกก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าการทำโดยวิธีการนั่งหลับตาก็ดีเนี่ยนะเหมือนเราไปกดนะไปกดความอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่เขามีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราก็ไม่รับรู้อะไรเลยนะซึ่งตรงนี้ปัญญาไม่เกิดนะตัวกระผมนุตามาลัยเองก็เคยได้ฝึกวิธีนี้มา นะมันก็ได้ความสงบได้ปิติเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ผิดนะก็ใช้ได้นะแต่เมื่อเราได้มาฝึกนะการทำความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะความรู้สึกตัวหรือสติเนะี่ยมันจะตื่นได้ไวนะเพราะมันอาศัยอุรยาบทหรืออาศัยอุปกรณ์ที่ที่ ที่หยาบนะที่ใหญ่และเห็นชัดนะการเคลื่อนไหวของมือก็ดีการเคลื่อนไหวของเท้าก็ดีถ้าเราเดินจงกรมนะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราถูกความรู้สึกตัวนะเรียกว่ากระตุ้นให้ความรู้สึกตัวมันตื่นเรียกว่าเป็นการเลือกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ตอนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการที่ทําอะไร ไปตามความเคยชินไปตามความคิดนะความคิดเนี่ยมีอำนาจมาครอบงำเรานะคิดแล้วดีใจคิดแล้วเสียใจคิดแล้วกโกรธคิดแล้วโลภนะเราไม่รู้ทันมันเลยชีวิตเราถูกครอบงำกับความคิดเหล่านี้แต่เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวตรงนี้นาะจะทำให้เรามี พลังมีกำลังในการที่จะต่อรองกับความคิดนะการทำความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวในเบื้องต้นเนี่ยนะนี่เป็นเป็นเนบื้องต้นเลยสำหรับคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามนะก็ยังจำเป็นต้องใช้อยูนะ่การมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะบ่อยๆนะเราก็จะเริ่มใจมันจะมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันคิดอะไรไปก็อย่าไปตามมัน กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี้นั่งไปนานๆมันจะปวดมันจะเมื่อยเราก็รู้มันปวดมันเมื่อยแต่ก่อนเราไม่เคยฝึกเนี่ยพอปวดเมื่อยขึ้นมาเราก็จะงุหงิ ด, ดนะเราก็จะรู้สึกโอ้ทรมานนะก็เกิดความคิดปรุงแต่งต่างๆแต่ถ้าเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะเราก็เห็นอาการปวดอาการเมื่อยเนี่ยมันก็เป็นอาการของกายนะ ถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าใจมันไม่ต้องไปเจ็บก็ได้ใจมันไม่ต้องไปหงุดหงิดก็ได้นะมันสามารถที่จะแยกได้นะเราก็สามารถที่จะนั่งปวดเมื่อยได้สักระยะหนึ่งนะหรือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่มันปวดมันเมื่อยเราเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัว กายมันทุกเนี่ยนะมันจะไปแก้โดยการที่ให้มันหายไปเลยเนี่ยมันยากเหมือนกันนะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะมันมันอาจจะไม่หายหรือมันอาจจะหายก็ได้เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนอีบทนะมันปวดมันเมื่อยแต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวมันบอกให้เปลี่ยนมันบอกให้มันปวดมันเมื่อยมากเราจะเปลี่ยนเยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันให้มันขอเราสักสามครั้งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัว นะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้นะจากการรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนะมันก็จะไปรู้ความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะปรากฏให้เราเห็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นนะภาษาบาลีหรือภาษาภากลเรียกว่าเวทนาเวทนานะซึ่ง คำว่าเวทนาเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่แปลว่าน่าสงสารแต่ในภาษาบาลีหมายถึงความรู้สึกนะภาษาอังกฤษใช้จจว่า feeling นั่นเองนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราปรวดเราเมื่อยเราล้อนเราเย็นนะรืแม้แต่เรารู้สึกคันขึ้นมานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะต่อเนื่องจากการที่เรารู้ที่กายเคลื่อนไหวนะ ทีนี้เมื่อเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้มันต่อเนื่องกันนะในรูปแบบนะหรือนอกรูปแบบก็ตามนะเราก็จะเข้าไปรู้นะความคิดนะความคิดปรุงแต่งซึ่งมันไวมากและความคิดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตนะคิดไปในเรื่องราวต่างๆยิ่งถ้ากครมีเรื่องประทับใจหรือฝังใจไว มากๆ ม, มันจะผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเราจะได้ย้อนระลึกสิ่งที่เราได้ฝังใจไว้ทั้งที่ดีและไม่ดีนะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนสมัยก่อนเราก็าได้ยินว่าใครทําดีนะโยมบาบาลก็ก็จะจดไว้ในสมุดทองคําทําอะไรไม่ดีนะเขาจะจดไว้ในหนังมานาวนะจริงๆมันก็คือตรงนี้แหละ นะที่มันแสดงออกมานี่แหละนะมันจะเห็นเลยนะซึ่งสิ่งเราเนี้ยพอมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการชำระล้างจิตใจของเราสิ่งที่หมักหมมสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เราฝังใจมันจะถูกชำระล้างออกมานะแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่าสิ่งเราเนี้ยมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะนั้น จากความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวบ่อยๆทําให้มันต่อเนื่องบ่อยๆทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเนี่ยน้ำก็จะทําให้เราไปรู้สิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปสิ่งที่เป็นนามธรรมนะไ ด, ได้ได้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนนี้ก็เรียกว่าเอ่อส่วนที่เป็นส่วนของจิตนะกายเวทนาจิตนะส่วนนั้นสุดท้ายก็คือธรรม ธรรมธรรมก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเข้ามากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราเป็นอย่างไรนะให้เราเห็นมันนะเห็นแล้วเราไม่เข้าไปเป็นกับมันนะแต่ก่อนเราไม่รู้นะเราก็หลงเข้าไปเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้พอใจไม่พอใจนะถ้าเราเห็นได้บ่อยเนี่ย มันเจ็ดแล้วว่าไอ้สกทุกๆๆก ๆ, ๆ, ๆมันเหนื่อยนะไอ้สิ่งที่เราเคยห่วงเคยหวงนะมันเป็นของหนักมันจะแบกไว้ไม่ไหวนะาก็ต้องปล่อยวางนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็เกิดจากการที่เราได้มาจเจริญสตนะิได้มาทำความรู้สึกตัวนะนี้ว่ากันในรูปแบบก็คือการสร้างจังหวะ14จังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีเพราะนั้นการที่ท่านมา เวลาไม่มากเนี่ยนะก็ให้ใช้เวลากับเรื่องนี้ให้เต็มที่นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะอยากจะแนะนําว่าให้บําเพ็ญบารมีพระเตมีใบนะฮก็คืองดพูดงดคุยและคุยให้น้อยนะแล้วก็บําเพ็ญบารมีเอ่อความเพียร น, นะตรงนี้เนี่ยนะมหมาชนกนะตรงนี้เนี่ยให้มีความเพียร ก็คือขยันทรรมขยันสร้างจังหวะขยันเดินจงกรมนะน อ, อกจากนั้นเนี่ยการทำกิจวัตรอะไรต่างๆเนี่ยนะก็พยายามที่จะเจตนารู้สึกตัวเข้าไปนะอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำการอาบน้ำการกินข้าวการเดินในชีวิตประจำวั น, นให้เรามีความรู้สึกตัวนะ ทำด้วยความรู้สึกตัวอาจจะทําให้ช้าลงนิดนึง่งแต่ก็เราทําอะไรไปตามความเคยชินนะอันนี้ก็ต้องอทําให้ได้บ่อยๆการทําบ่อยๆเนี่ยการทําให้ต่อเนื่องมันจะเกิดผลถ้าเราทําทําหยุดหยุดนะมันก็จะไม่เกิดผลนะการทําให้ต่อเนื่องไม่ได้หมายกับ ว, ว่าเราจะต้องนั่งสร้างจังหวะทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันนะบางทีบางช่วงบางจังหวะเนี่ย เราไปทำกิจวัตรประจาวันอะไรต่างๆก็พยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปการกินการดื่มการขับถ่ายนะการตื่นการหลับนะก็ให้มีความรู้สึกตัวนะตรงเนี้ยนะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือความรู้สึกตัวเราจะตื่นขึ้นนะแล้วเราจะได้เรียนรู้นะธรรมะนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในกายในใจของเราเนะมื่อไปกระทบสัมผัสกับโลกภายนอกนะเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเราเจนเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเราหลงนะเข้าไปในความคิดปรุงแต่งเราหลงเข้าไปในอารมณ์ต่างๆนะทำให้เร า, เาสุขทุกขนะ์ชีวิตของเราก็าไม่แน่ไม่นอนนะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางเอง เราไม่ต้องไปปล่อยวางเราไม่ต้องไปทำจิตว่างหลายคนก็บอกให้นำจิตว่างให้ปล่อยวางถ้าเราเห็นทุกเนี่ยมันปล่อยวา ง, งมันเองมันไม่แบกบมันไม่หนักมันไม่ถือเอาไว้นะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นนะของการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือเรียนรู้ที่กายที่ใจของเรานะโดยเอ า, เอ า, เอาความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวอ่านนะหลวงพ่อคำเขียนใช้คาว่าเป็นตาวิเศษ นะตาที่สามความรู้สึกตัวเป็นตาวิเศษเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมีตาวิเศษอยู่ในตัวเองแต่เราไม่ได้เปิดตานี้ขึ้นมาเราใช้แต่ตาเนื้อนะสองตาเรียนรู้โลกข้างนอกแนะต่ตาในเนี่ยเราปิดสนิทเลยเพราะนั้นเรามาที่นี่เนี่ยเรามาเปิดตาในก็คือความรู้สึกตัวเป็นตาวิเศษที่มีอยู่ทุกคนนะบางทีก็ใช้คาว่าจิตพุทธะบ้าง ใช้ว่าจิตตื่นรู้บ้างแต่เราเรียกกันง่ายๆว่าตาวิเศษหรือตาในตาสติเพราะนั้นการที่เรามาทาอย่างนี้เป็นการที่เราจะมาเรียนรู้ที่จะมาเปิดตาในซึ่งถ้าจะพูดกันแบบทั่วๆไปเนี่ยเรียกว่าเป็นการปลุกพระได้เหมือนกันนะปลุกพระพุทธขึ้นมานะความรู้สึกตัวเนี่ย สติสัมปชัญญะก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะนั้นเราไม่ต้องไปปลุกเสกเราไม่ต้องไปหาพระขันอกแล้วในใจเรามีพระอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาดูอันนี้เป็นของวิเศษเป็นของมีค่าและทุกคนมีถ้าเราสามารถสัมผัส ต, ตัวนี้ได้เราปลุกพระอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราเราไม่ต้องไปแขวนพระก็ได้พระมันมีอยู่ในใจของเรานะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเรานะให้ใช้เวลาในการที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองนะการกินการอยู่การทํากิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยให้เป็นเรื่องรองนะสำหรับเอ่อการมาอยู่วัดป่าสุกโตนะจะทําให้เราเห็นเลยว่า การมาอยู่วัดป่าสุกตโตเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่สิ่งที่มันจะคุ้มค่าก็คือการมาทำทำเรื่องเนี้นะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราได้เห็นสัจธรรมความจริงเพรา ะ, ะนั้นธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนังสือนะมันไม่ใช่คัมภีร์ใบลานมันไม่ใช่พระไตรปิฎกอันนั้นเป็นพระธรรมข้างนอกแต่พระธรรมข้างในก็คือตัวเราเนี่ย อาการต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยอ่านตรงเนี้ยอ่านพัตยพิดกตรงนี้อ่านธรรมะตรงนี้จากกายจากใจของเราตรงนี้ให้มันเห็นชัดๆนะถ้าเราเห็นชัดๆแล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์น่าทดลองนะ่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลือวิสัย และเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะทำได้ถ้ามีศรัทธามีความเพียรพยายามนาใช้สติปัญญาลงไปนมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ใช้ปัญญาลงไปก็เชื่อว่า เ, เป็นสิ่งที่ไม่เกินไม่เหลือวิสัยที่เราสามารถจะทำได้แม้ว่าจะมีเวลาไม่มากนักนาอาจจะเป็นการจุด ป, ประกายหรือจุดเริ่มต้ น, นาสาหรับการที่เราจะมาเรียนรู้ วิชาสุดยอดของมนุษย์นะอาตมาใช้คำว่าวิชาสุดยอดเ จ, าจา้าชายิทธาเน่ยเรียนมา18ศาสตร์แต่ว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้สําหรับข้างนอกหมดเลยและท่านมาเรียนรู้ศาสตร์ที่19ก็คือพุทธศาสตร์นี่แหละเรียนรู้ด้วยตัวทังท่านเองแล้วก็เผยแพร่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระวิชานี้เป็นวิชาสุดยอดของมนุษย์เลยนะ ตั้งแต่ 2,600 ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเราเรียนรู้อะไรมามากมายแต่ลืมเรื่องเดียวที่เราไม่ได้เรียนรู้ก็คือตัวเราเองนะเพราะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ตัวเราเองเราก็จะสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงจริงหรือไม่จริงพิสูจน์อย่าเชื่อนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้อย่าพุ่งเชื่อก่อให้พิสูจน์ลองดู มีเวลาอยู่อีกสองวันนะหรือคนที่อยู่ที่นี้ก็ตามนะก็ให้ลองพิสูจน์ดูเปิดใจกว้างๆนะถ้ามีความคิดอะไรมีความเชื่ออะไรมาก่อนก็ทิ้งไว้ก่อนเปิดใจกว้างๆจะได้ไม่เสียเวลานะเรามีเวลาน้อยแล้วเออลองทดลองดูนะว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรอันะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะพวกเรา ได้มาพิสูจน์ได้ทดลองนะค้นหาความจริงที่มีในตัวเราเนะพื่อที่จะให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นพบกับสันติสุขนะเมื่อใจมีสันติสุขมันก็จะทําให้สังคมมีสันติภาพนะในที่ทํางานก็มีสันติสุขสันติภาพนะแล้วก็ช่วยทําให้มีกําลังความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะเขาบอกจะพัฒนางานก็ต้องพัฒนาที่คนถ้าจะพัฒนาที่คนต้องพัฒนาที่ใจเพราะนั้นที่เรามาวัดป่าสุโกโตเนี่ยตรงเปงเลยนะที่มากันนะพัฒนาใจจะส่งผลให้พัฒนาเอ่อคนเมื่อพัฒนาคนก็พัฒนางานแล้วก็องค์กรต่อไปนะ ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุโมทนานะในความตั้งใจของทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้นนะเรื่องกายเรื่องใจของ เ, ออเราเองนะเพื่อพัฒนาตัวของเราพัฒนาองค์กรของเราพัฒนาประเทศชาติแล้วก็โลกต่อไปขอให้คุณภรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระัรมพระสงค์ พระพุทธก็คือจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่อยู่ในตัวเราพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะ่ะที่เปิดเผยแสดงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วพระสงฆ์นะ่ะก็คือการที่เรามาเรียนรู้มาประพฤติปฏิบัตินะ่ะก็ตัวเราอีกนั่นแหละนะด้วยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้นะ่ะประกอบกับความเพียรพยายามความทั้งใจของทุกท่าน นาจงเป็นพระวะวปัจจัยให้ทุกท่านนาได้สัมผัสกับจิตที่เป็นปกตินาที่เป็นธรรมชาตินาของเราในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร